พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันสี่ร้อเก้าสิบเจ็ดเรื่องสังเวคกถา ตังพยังวรเนเปคมาโนกุญญาณิกยิราธะสุข้าวหาหนีติบุคคลผู้เพ่งเห็นภายในความตายควรทำความดีทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ดังนี้บัดนี้จะได้แสดงธรรมิกถาพนาณาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่อง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 คิดไม่ถึงความจริงมักมองข้ามความจริงไปจึงไม่ได้ไม่ถึงธรรมาตาเ พ, พราะเหตุความโง่เขลาเบาปัญญาความไม่รู้มาปิดบังซึ่งเรียกว่าอาวิชชาธรรมดาจิตใจนั้นเป็นของละเอียดสุ ข, ขุมมากไม่อาจมองเห็นด้วยตาได้เปรียบเหมือนไฟในอากาศเป็นของมองเห็นได้ยากบางคนอาจเห็นว่าไม่มีเลยเพราะเหตุนี้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 จึงจะจุดเทียนเร้่มใหม่ติดเพราะไฟที่ละเอียดยังมีอยู่ทั่วไปในอากาศดังนี้อัตภาพร่างกายของมนุษย์เรานี้ก็เป็นเช่นนั้นคือเมื่อร่างกายแตกสลายสูญสิ้นไปจิตย่อมก่อพบใหม่ได้อีกถ้าหากเชื้อคืออวิชชาตัญหาอุปาทานเป็นมูลเหตุยังมีอยู่ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอน ให้พุทธบริษัท ต, ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรีบทําบุญคุศลไว้ให้มากเพราะบุญคุศลนําความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและโลกหน้าสมเด็จพระพุทธภาสิทธว่าสมด้วยพระพุทธภาสิทว่าสุขโคปุญญสสะอุจเจโยความสะสมขึ้นซึ่งบุญนําความสุขมาให้บุญยงสุ ข, ขั้งชีวิตะขั่งขยั ม, มหิบุญให้เกิดสุข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 บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมต่อวุฒิบุคคลสามจำพวกคือชาติวุตโตผู้เจริญด้วยชาติหนึ่งวยาวุตโตผู้เจริญโดวยวัยหนึ่งคุณาวุตโตผู้เจริญโดยคุณหนึ่งวยาวัจำหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวกวในกิจที่เป็นกุศลด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดศีลใหม่และอปิญญนะ วยาวัจจะสามอย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นฝ่ายจารีตศีลด้วยกันภาวนาใหม่นั้นกระจายออกเป็นธรรมะสวรรใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทาความเห็นของตนให้ตรงทั้งสี่อย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญาได้ บุญกุศล น, นี้จะเกิดขึ้นได้ย่อมอาศัยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นมูญเหตุสมด้วยพระบาลีว่าอโลโพดานะเฮตุความไม่โลภเป็นเหตุให้บริจาคทานอโดโซซีละเฮตุความไม่โกรธเป็นเหตุให้รักษาศีลอโมโอภาวนาเฮตุความไม่หลงเป็นเหตุให้เจริญภาวนาดังนี้บุญกุศลที่บุคคลทําไว้แล้ว ย่อมทำให้บุคคลนั้นมีความสุขกายสบายใจเมื่อนึกถึงคราวไหนก็ทำให้เกิดปีติอยู่เสมอเป็นอริยทรัพย์ติดตามบุคคลนั้นเป็นประดุจเงาติดตามตัวไปอยู่เสมอไม่ลดละถึงแม้บุคคลนั้นจะตายไปบุญก็ติดตามไปตกแต่งภพชาติที่ดีให้ซึ่งเรียกว่าปุญญาพิสังขารอันหนึ่งคนที่ตายไปแล้วก็ดี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 เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดวิชาสามขึ้นในใจคือ 1. ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของตนเองในภพหลังได้ 2. จุตูปปาตญาณกำหนดรู้คติต่างๆของสัตว์ทั่วไปเช่นตายอยู่เกิดอยู่ทั่วๆไปเลวสามประนีตสุขทุกข์เป็นมาเพราะเหตุอะไรก็ทราบได้ในทางจิต 3. อามสวรคขยญาณ มีความรู้เกิดขึ้นในทางจิตเป็นเหตุให้ชำระอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองให้สิ้นไปตามกำลังของวิชานั้นนั้นนี้แหละคือภาษาต่างประเทศสำหรับพวกพุทธบริษัทจะไปกันอย่างสนุกสนานและสว่างไสวตามรายทางก็บริบูรณ์ด้วยรัพย์จะได้เห็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นคือสวรรค์และนิพพานสมความปรารถนานี่แหละชื่อว่าไปดี แม้จะอยู่ก็ดีอยากกลับมาก็มาได้ถ้าไม่อยากกลับก็เรียนภาษาวิชาเพิ่มเติมให้ถึงที่สุดกล่าวคือนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารถึงความกเกษมสำราญนิราชภัยทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี้ย่อมอำนวยวิบากสมบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติได้รับสมบัติทั้งสประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติตามกำลังความสามารถของตนบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งสามประการชื่อว่าผู้ไปดีผู้มาดีและผู้อยู่ดีเพราะเป็นผู้มีกายวาจาและใจดีจะไปอยู่ที่ไหนไหนก็ปราศจากเวรัยในที่ทั้งปวงเป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรที่พุทธศาสนกชนทั้งหลาย จะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนว่าเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายทุกวันเวลานาทีจะหลบหนีไปไม่พ้นจึงสมควรสร้างกุศลทั้งสามประการมีทานศีลภาวนาให้เกิดมีขึ้นในตนผลความดีคือความสุขกเกษมสารก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังความสามารถของตนสมดังความมุ่งมา่ปรารถนา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 ที่จะพึงเป็นไปได้นั้นเถินดังรับประทานวิสัชนามาด้วยประการชนี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้ โอวาทบางตอนของพระสุทธทิธรรมรังสีคัมพีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการามหนึ่งจำเป็นอยู่บุคคล ที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อตนของตนไปตกอยู่ในถิ่นใดๆก่อนจะหนีไปจากถิ่นนั้นๆก็ควรที่จะคลายความดีไว้เสียก่อนจึงค่อยไปความดีอันใดก็ตามเป็นไปเพื่อโลกหรือเพื่อธรรมถ้าเห็นว่าตนพอทำได้ก็ควรจัดทาขึ้นสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นย่อมเป็นอนุสอ์แก่เราทั้งหลาย ตัวเราตายหนีไปจากโลกนี้แล้วลูกเรายังหลานเราอยู่ชื่อเสียงเรายาวขอท่านทั้งหลายจงคิดอย่างนี้ ส, สาศาสนาเป็นของของโลกไม่ใช่ของโดยเฉพาะสำหรับประเทศใดเมืองใดหรือบุคคลใดพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติาศาสนาไว้ครอบโลกทั่วถึงกันหมด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 หาทานที่พร้อมด้วยองค์สี่คือหนึ่งวัตถุสมบัติได้มาด้วยความสุดจริตสองเจตนาสมบัติประกอบด้วยใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสคุณสมบัติผู้ให้ต้องมีกายสุดจริตสามวจีสุดจริตสี่และมโนสุดจริตสามและสี่ผู้รับ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 เป็นทานอันเลิศของดีนั้นทำนิดเดียวก็เป็นมากของไม่ดีทำมากก็เป็นน้อยของดีด้วยทำมากด้วยยิ่งดีเลิศ 6. ศีลเป็นส่วนสาคัญถ้าศีลไม่มีจะไปสร้างความดีทุกอย่างพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญคนทาทานสักแสนครั้งถ้าไม่มีศีลแล้วก็ช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ได้ สีนนี้จะมีเท่าไหร่ก็ตามรวมลงในข้อใหญ่ก็มีสองอย่างคือกาละศีลอย่างหนึ่งนิจจะศีลอีกอย่างหนึ่งคนที่รักษาได้บางการบางเวลาไม่เสมอไปก็เหมือนมืดบ้างแจ้งบ้างจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองยีก็ตามเมื่อรักษาไว้ไม่ได้ตลอดชีวิตแล้ว ก็เป็นการศีลทั้งสิ้นนิจศีลคือสามารถปฏิบัติไปจนตายโดยไม่ล้มความตั้งใจเลยจะเป็นศีลอะไรก็ตามก็ตั้งใจปฏิบัติไปจนตายจนเผาไฟเลยไม่เลิกไม่รือ้อไม่ถอนนี่อย่างนี้ดีมากแต่ไม่ว่าศีลอะไรต่างกันโดยชื่อและอานิสงส์เท่านั้นศีลมีลักษณะเป็นสามอย่าง สีเลนะสุขติยันติศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุขตินี่เป็นศีลของเทวดาสีเลนะโภคัสมปทาศีลเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโพกัซซักนี่เป็นศีลของมนุษย์สีเลนะนิ พ, พุติยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนี่เป็นศีลของอริยชนเจภาวนา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 คุ้มทานได้ส่วนภาวนาคุ้มได้ตลอดทั้งฐานและศีลสามารถทำให้ฐานบริสุทธิ์และศีลของเราก็บริสุทธิ์เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และนิพพานเป็นที่สุด8การนั่งภาวนานี้มีข้อสำคัญที่จะต้องทำอยู่สามข้อคือหนึ่งลมหายใจให้เป็นวัตถุที่ตั้งของจิต 2. สติ คือการนึกถึงคำภาวนาพุทธหายใจเข้าโธหายใจออก3าทำจิตให้อยู่กับลมกับคำภาวนาทำลมให้สบายทำจิตให้สบายอย่าสะกดลมอย่าสะกดจิตทำจิตของตนให้เที่ยงตรงไม่วอกแวกสติอยู่กับลมเรียกว่าอานาปานาสติสติอยู่กับกาย เรียกว่ากายขะตาสติถ้ามีสติอยู่กับกายและจิตอยู่เสมอก็เรียกว่าเจริญกรรมฐานอย่างที่เรานั่งภาวนากันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเรานั่งทํางานคือทํากรรมฐานผลที่เกิดจากกรรมฐานคือทําให้บาปทางใจสงบไปหมดและทําให้ธาตุสงบไปทุกๆกกองจิตของเราก็โปร่งว่าง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 สูบลมหายใจให้ยาวๆเข้าไปในตัวจนเต็มอิ่มกายก็จะเบาโปร่งโลง่งใจก็เย็นเหมือนกับน้ำเป็นเหตุให้ดวงจิตเกิดความสงบไปวุ่นวายปราศจากทุกข์ภัยใดๆในที่สุด อบรมสมาธิโดยพระสุทธทิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศอการามต่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีเจริญสมาธิพอสมควร กล่าวคือการนั่งสมาธินั้นเป็นปุญยากิริยาวัตถุประการหนึ่งกิริยาได้แก่การนั่งหลับตาขัดสมาธิเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงไม่คดไม่งอเวลาที่เราหลับตาให้หลับแคบเปลือกตาอย่าหลับจริงๆอย่างคนนอนหลับต้องให้ประสาทตา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 วาดพิเศษของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม22กันยายน2499 ค่ำวันหนึ่งภายหลังจากที่ท่านพ่อได้นำพระภิกษุประมาณสี่รูปไปสวดมนต์ชยันโตในพิธีปลูกหน่อสีมหาโพต้น น, น้อยๆเยื้องสาลาไปทางทิศเหนือเสร็จแล้วท่านได้ขึ้นมาประชุมให้โอวาสณอบนสาลาหลังเก่าโดยมีสานุษิ์นั่งอยู่ไม่กี่คนท่านได้ปรารภถึงเหตุที่คิดทำการฉลองสมโพธ กึ่งพุทธการว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตไม่สามารถจะเล่าละเอียดให้สานุสิตทั้งหลายฟังได้แต่ต้นเหตุนั้นท่านได้เริ่มดำริครั้งแรกตั้งแต่พศส4 9 3ซึ่งไปจำพรรษาอยู่ณเมืองพารณาณสีในประเทศอินเดียคืนนั้นท่านได้ไปนั่งอยู่ที่กำแพงแก้วเวลาประมาณ20่สนริกาเศษ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 ถ้าสานุสิทธ์มีความสามัคคีพร้อมเพรียงช่วยกันด้วยดีทุกคนงานก็จะสําเร็จเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะส่วนที่จะเสียหายนั้นก็มิได้เกิดมาแต่อื่นไกลดอกเกิดจากสานุสิทธ์นี่เองฉะนั้นจึงอย่าทําตัวเป็นลูกข้าพ่อและอีกตอนหนึ่งท่านปรารถว่างานคราวนี้เราเอาหัวแลกเพื่อหมู่แต่อยากรู้ว่า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 อย่าวางใจใครและต้องพากันนึกทุกคนว่าเราจะทำงานอันนี้เพื่อหนึ่งช่วยหมู่คณะ 2. เพื่อเกียรติพระศาสนาและ 3. เพื่อรักษาข้อปฏิบัติของตัวเราให้ไปสู่จุดหมายคือพระนิพพาน วาดวันสุดท้ายของงานฉลองสมโพธ25พุทธศตรวรรษณวัดอโศการาม29พฤษภาคมพุทธศักราช2500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 ที่ยืนเดินนั่งนอนสองวันนี้เป็นวันสิ้นสุดของงานฉลองสมโพธ2ยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษแล้วเราทั้งหลายต่างก็จะแยกย้ายจากกันไปคนละทิศละทางแต่ก็อย่าเข้าใจว่าเราจะห่างไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พุทโธธรรมโมสังโฆจะติดตามเราไปทุกหนทุกแห่ง ในเมื่อเราน้อมรับจดจำท่านไปและปฏิบัติตามคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนโอว่า 23. ิมิถุนายน 2501. นหนึ่งวัดอโศการาม 1. ราคัคินาโทศคินาและโมหคินาคือไฟสามกองตอนแรกๆไฟนี้ก็จะให้ความอบอุ่นสบายเหมือนกับคนที่นั่งผิงไฟในฤดูหนาวผิงไปผิงไปก็เพลินไปทุกทีพอเผลอตัวก็ไม่มือไม่เท้า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 ไม่ได้ส่งตอบเช่นนั้นพระองค์ทรงตอบทั้งเวลาที่กินเข้าไปและทั้งเวลาที่มันกลับออกมาด้วยฉะนั้นความเห็นของพระองค์จึงประกอบไปด้วยทั้งเหตุและผลไม่ทรงมองอะไรด้านเดียวสามพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความสุขที่เป็นความราบรื่นชื่นบานตามธรรมชาติธรรมดานั้นไม่ใช่สุขที่ถาวร พระองค์ทรงปรารถนาความราบรื่นชื่นบานที่ไม่ใช่เป็นไปตามโลกิยะวิสัยอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายเขาต้องการกันเหตุนั้นพระองค์จึงทรงเดีกหนีออกจากหมู่และเสด็จไปประทับวิเวกตามลำพังทรงปรารบกับพระองค์เองว่าเราเกิดมาก็คนเดียวตายก็คนเดียวไม่มีใครจ้างให้เรามาเกิดและก็ไม่มีใครจ้างให้เราตาย เราจะไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดการกระทำของเราถ้าสิ่งใดมันถูกกับโลกแต่ผิดจากความจริงและผิดกับใจของตนเองแล้วสิ่งนั้นเราจะไม่ทำเป็นอันขาดพระองค์จิงทรงตั้งปัญหาถามพระองค์เองว่าการที่เจ้ามาเป็นมนุษย์กับเขานี้เจ้าต้องการอะไรที่เป็นของวิเศษที่สุดในโลกเมื่อถามดังนี้แล้ว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 และเมื่อตอบอย่างไดแล้วเธอก็จะต้องทาอย่างนั้นอย่าทรยศต่อตัวเองด้วยเมื่อได้แน่พระไทยในสัตธรรมแล้วก็ทรงตอบกับพระองค์เองว่าท่านเอ่ยสมณะโคดมต้องการความบรมาสุขนอกจากสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องการสิ่งอื่นในโลกและเมื่อพระองค์ทรงให้คำสัตย์แก่พระองค์เองดังนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ลบล้างคำตอบอันนี้เลย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 วาดในวันปันจุพระบรมสารีริกธาตุณถ้ำพระสบายลำปางหนึ่งกรกฎาคม2501 1. นหนึ่งหนึ่งนักปราชท่านสอนให้แผ่เมตตาให้มากๆให้ใช้ความดีในการท่องมนบ้างสวดมนบ้างถ้าตัวใช้เมตตาของตัวยังไม่เป็นก็ให้ไปรวมกับคนที่เขาใช้เป็นจึงจะได้ส่วนเย็นนิดๆหน่อยๆ เหมือนคนที่ใช้เงินไม่เป็นไปเข้าหุ้นค้าขายกับคนอื่นเขาก็จะพลอยได้กำไรไปด้วยสองพระพุทธเจ้าท่านจเจริญเมตตาเสมอไปทิศไหนก็ข้าวเต็มบาทยังประโยชน์ให้แก่คนและสัตว์เหมือนต้นไทรย่อมเป็นที่อาศัยร่มเย็นแก่งูเห่าจิ้งจกลูกแก่ชมดเม่นนกสาริกานกเขาแมวลูกไทรสุก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 ก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นแน่นอนคือเราพากันจับจองที่ดินไรนาเรือกสวนทําพืชผลให้เต็มเสียมิฉะนั้นกฎหมายออกมาก็จะหมดสิทธิ์ถ้าตนไม่ปลูกพืชพันุ์ในกําหนดก็หมดสิทธิ์ในพื้นที่นั้นแม้จะเป็นความก็ไม่ชนะเรียกว่าไม่ทําสถานที่ให้เป็นผลตราบใดคนเห็นภผ่ในพื้นที่ว่างรีบจัดการปลูกสร้าง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 สิ่งที่จะถวายแก่พระสงฆ์คือหนึ่งอาหารสองจีวรผ้าผ่อนท่อนสบยสัยสเศนาสนะที่อยู่สี 4. ขิลานะเภสัตมียาแก้โรคต่างๆเนยใสเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นก็นำมาถวายทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเสียก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ของตน เมื่อใครทำอย่างนี้ทำน้อยก็จะได้ผลมากเหมือนปลูกข้าวโพดเมล็ดเดียวจะเกิดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าฝักแต่ละฝักก็มีผลหลายสิบมเมล็ดสุดแต่สถานที่ของตนจะดีหรือไม่ดีเมื่อพวกเราทำครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ตามผลก็ย่อมทวีคูณเหมือนพวกเราหวานข้าวกำมือเดียวได้ข้าวเต็มนา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 เขานําอะไรมาถวายสงฆ์ก็ถือเอาว่าเป็นของกูของกูแล้วก็นําไปเป็นประโยชน์ส่วนตนมีความโลภอยากได้ไม่ว่าอะไรพระเนนก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมในวินัยปฏิบัติไม่เป็นไปตามสมณบวิสัยกินแล้วก็นอนไม่สวดไม่เรียนไม่ดูแลรักษาวัดว่าอาวาตทรัพย์ของวัดก็ต้องสูญสงฆ์ก็ชิบหาย